สามหิริสูตรว่าด้วยความละอายพระผู้มีพระภาคทรงตอบปัญหาของดาบทดังนี้คนผู้ไม่มีหิริรังเกยียจคนมีหิริชอบพูดว่าเราเป็นเพื่อนท่านแต่ไม่เคยช่วยเหลือการงานของเพื่อนเลยพึงรู้เถิดว่าคนนั้นไม่ใช่เพื่อนเราคนพูดวาจาไพเราะอ่ อ, อ, อนหวานแต่ไม่ทําประโยชน์แก่มิตร บัณฑิเรียกว่าผู้ดีแต่พูดมิตรใดไม่พลั้งเผลอมุ่งหวังความแตกแยกกันคอยแต่หาความผิดเท่านั้นทุกเวลามิตรนั้นไม่ควรครบส่วนมิตรที่วางใจได้เหมือนบุตรในไส้ถึงผู้อื่นกล่าวเหตุตั้งร้อยอย่างพันอย่างก็ไม่แตกแยกจากกันมิตรเช่นนั้นควรครบอย่างยิ่งความเพียรที่เป็นเหตุให้เกิดปราโมช ย่อมนำทั้งความสันเสริญและความสุขมาให้ผู้หวังผลนำธุระอันสมควรแก่บุรุษย่อมทำความเพียร น, นั้นให้เจริญได้บุคคลเดิมปวิเวกรถลิ้มรสแห่งความสงบและได้ลิ้มรสแห่งปิติในธรรมแล้วเป็นผู้ไม่มีความโกรนกระวายไม่มีบาปฮิริสูตรที่สจบ 4. มงคละสูตร ว่าด้วยมงคลข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถาบิณกะเศรษฐีเคครุงสาวาีครั้งนั้นเมื่อราตรีผ่านไปเทวดาองค์หนึ่งมีวันนะงดงามยิ่งนักเปล่งรัศมีให้สว่างไปทั่วพระเชตวันเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับ ถวายอภิวาทแล้วยืนอยู่หน้าที่สมควรได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคด้วยคาถาว่าเทวดาและมนุษย์จำนวนมากต่างมุ่งหวังความสวัสดีร่วมกันคิดถึงเรื่องมงคลขอพระองค์ตรัสบอกมงคลอันสูงสุดด้วยเถิดพระผู้มีพระภาคตรัสตอบดังนี้ 1. การไม่คบคนพาล 2. การครบแต่บัณฑิต 3. การบูชาคนที่ควรบูชานี้เป็นมงคลอันสูงสุด 4. การอยู่ในถิ่นที่เหมาะสม 5. การได้สร้างบุญไว้ในปางก่อน 6. การตั้งตนไว้ชอบนี้เป็นมงคลอันสูงสุด 7. ความเป็นผู้หูสูตร 8. ความเป็นผู้มีศิลปะ 9. วินัยที่ศึกษามาดี 10. วาจาสุภาษิตนี้เป็นมงคลอันสูงสุด 11. การบำรุงมารดาบิดา 12. การสงเคราะห์บุตร 13. การสงเคราะห์พัญญา 14. การทำงานไม่อากูนนี้เป็นมงคลอันสูงสุด 15. การให้ทาน 16. การประพฤติธรรม 17. การสงเคราะห์ญาต 18. การงานที่ไม่มีโทษนี้เป็นมงคลอันสูงสุด 19. การงดเว้นจากบาป 20. การงดเว้นจากการดื่มน้ำเมา 21. ความไม่ประมาทในธรรมนี้เป็นมงคลอันสูงสุด 22. ความเคารพ 23. ความถ่อมตน 24. ความสันโดษ 25. ความกตันยู 26. ่การฟังทำตามการนี้เป็นมงคลอันสูงสุด 27. ความอดทน 28. ความเป็นคนว่าง่าย 29. การพบเห็นสมณะ 30. การสนทนาทำตามการนี้เป็นมงคลอันสูงสุด31การเผาผลาญบาป 32. การประพฤติพรหมจรรย์ 33. การเห็นอริยสัตว์ 34. การทำนิพพานให้แจ้งนี้เป็นมงคลอันสูงสุด 35. จิตของผู้ที่ถูกโลกธรรมกระทบแล้วไม่หวั่นไหว้ 36. จิตไม่เศร้าโศก 37. จิตปราศจากทุลี 38. ิจิตกเกษม นี้เป็นมงคลอันสูงสุดเทวดาและมนุษย์ทำมงคลดังกล่าวมานี้แล้วไม่พ่ายแพ้ในฆ่าสึกทั้งปวงย่อมถึงความสวัสดีในที่ทุกสถานทั้ง38ประการนั้นเป็นมงคลอันสูงสุดของเทวดาและมนุษย์เหล่านั้นมงคลละสูที่4จบ สูจิโลมสูรว่าด้วยสูจิโลมยักษ์ทูลถามปัญหาเขาพระเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่บนแท่นหินในที่อาศัยของสูจิโลมยักษ์ใกล้หมู่บ้านขยาสมัยนั้นคารยักษ์และสูจิโลมยักษ์เดินผ่านเข้ามาใกล้กๆพระผู้มีพระภาคทันใดนั้นคารยักษ์เรียกกล่าวกับสูจิโลมยักษ์ว่า นั่นสมณะสูจิโลมายักษกลับกล่าวว่านั่นไม่ใช่สมณะจริงแต่เป็นสมณะปลอมเดี๋ยวก็รู้ว่าสมณะจริงหรือสมณะปลอมกันแน่ต่อจากนั้นสูจิโลมายักษเข้าไปหาพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับน้อมกายเข้าไปจนชิดพระผู้มีพระภาคพระผู้มีพระภาคทรงขยับพระวรกายออกไปสูจิลมายักษจึงกล่าวกับพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่า สมณะท่านกลัวข้าพเจ้าหรือพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่ายักษ์เ e อ๋ยเราไม่เคยกลัวท่านเลยแต่สัมผัสของท่านหยาบกร้านเหลือเกินสูจิโลมิยะกล่าวว่าสมณะข้าพเจ้าจะขอตั้งปัญหาถามท่านถ้าท่านตอบข้าพเจ้าไม่ได้ข้าพเจ้าจะควักดวงจิต ข, ของท่านออกโยนทิ้งเสียและจะขยี้หัวใจท่านให้แหลกสลาย หรือไม่ก็จะจับเท้าทั้งสองของท่านเวียงไปตกที่ฝั่งแม่น้ำคงคาฝากโน้นพระผู้มีพระภาคตรัสว่ายักษ์เอย๋ยเรายังไม่เห็นใครสักคนเลยในโลกพร้อมทั้งเทวโลกมารโลกพรหมโลกและหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณพราหมณ์เทวดาและมนุษย์ผู้จะสามารถควักดวงจิตของเราออกโยนทิ้งเสียจะขยี้หัวใจเราให้แหลกสลาย หรือไม่ก็จะจับเท้าทั้งสองของเราเวียงไปตกที่ฝั่งแม่น้ำคงคาฝากโน้นได้เอาเถอะเชิญท่านถามปัญหาตามที่ท่านสงสัยเถิดลำดับนั้นสูจิโรมยักได้ทูลถามปัญหากับพระผู้มีพระภาคด้วยคาถาว่าราคาและโทสะมีอะไรเป็นเหตุความไม่ยินดีความยินดีและความขนพองสยองกล้าวเกิดจากอะไรความตรึกในใจเกิดจากอะไร ย่อมผูกจิตไว้ได้เหมือนพวกเด็กผูกตีนกาไว้ฉะนั้นพระผู้มีพระภาคตรัสตอบด้วยพระคาถาดังนี้ราคะและโทสะมีอัตภาพนี้เป็นเหตุความไม่ยินดีความยินดีและความขนพองสยองกล้าวเกิดจากอัตภาพนี้ความตรึกในใจเกิดจากอัตภาพนี้ย่อมผูกจิตไว้ได้เหมือนพวกเด็กผูกตีนกาไว้ฉะนั้น อกุศลลวิตกเป็นอันมากเกิดจากความเยื่อใหญ่เกิดขึ้นในตนแล้วแผ่ซ่านไปในวัตถุกรามทั้งหลายเหมือนย่านไสรเกิดจากลำต้นไสรแล้วแผ่ขยายไปในป่าฉะนนั้นสัตว์เหล่าใดรู้ชัดหมู่กิเลสนั้นว่ามีกิเลสใดเป็นเหตุสัตว์เหล่านั้นย่อมบรรเทาหมู่กิเลสนั้นเสียได้ท่านจงฟังเถิดยักษ์สัตว์เหล่าใดบรรเทาหมู่กิเลสได้ สัตว์เหล่านั้นย่อมข้ามพ้นโอคาที่ข้ามได้ยากอันตนไม่เคยข้ามเพื่อความไม่มีพบใหม่ต่อไปสูจิโลมสู ท, ที่หจบ 6. ธรรมจริยสูตรว่าด้วยการประพฤติธรรมพระผู้มีพระภาคตรักแกข้อรหัสและบรรปชิตทั้งหลายดังนี้พระอริยะทั้งหลายกล่าวการประพฤติธรรมและการประพฤติพรหมจรรย์ทั้งสองนี้ว่า เป็นรัตนะอันสูงสุดถ้าบุคคลออกจากเรือนมาบวชเป็นบรรพชิตหากผู้ที่บวชแล้วนั้นเป็นคนปากร้ายชอบเบียดเบียนผู้อื่นดุดสัตว์ป่าชีวิตของเขาชื่อว่าต่ำซามที่สุดเพราะมีแต่จะทำให้ทุลีคือกิเลสพ่อภูนในใจของตนภิกษุผู้ชอบทะเลาะถูกโมหะปิดบังแม้เพื่อนพรหมจรีผู้มีศีลตักเตือนแล้ว ก็ไม่ยอมรับรู้ธรรมวินัยที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงแล้วภิกษุผู้ถูกอวิชชาหุ้มห่อแล้วชอบเบียดเบียนพระอริยะผู้อบรมตนแล้วไม่รู้ว่าเป็นความเศร้ามองและเป็นหนทางให้ตกนรกภิกษุเมื่อไม่รู้เช่นนั้นก็ต้องเกิดในอบายออกจากคันสู่คันออกจากที่มืดสู่ที่มืดภิกษุผู้เช่นนั้นเมื่อตายไปย่อมได้รับทุกข์ บุคคลใดมีความประพฤติเสียหายเช่นนี้ตลอดกาลนานพึงเป็นผู้เต็มด้วยบาปเหมือนหลุมคู่ที่เต็มอยู่นานปีบุคคลนั้นเป็นผู้มีกิเลสเพียงดังเนินชำระให้หมดจดได้ยากภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงรู้จักบุคคลผู้อาศัยเรือนมีความปรารถนาชั่วมีความดำริชั่วมีอาจาระและโคจรชั่วเช่นนี้ เธอทั้งหลายพึงเป็นผู้พร้อมเพรียงกันเลิกคบบุคคล น, นั้นจงกําจัดผู้ที่ไม่มีคุณธรรมในใจเหมือนแกลบออกเสียจงคร่าผู้ทุศีลออกจากหมู่เหมือนคนกําจัดอยากเยื่อออกจากบ้านฉะนั้นต่อจากนั้นเธอทั้งหลายจงขับไล่ผู้ที่มิใช่สมณนะแต่แต่งกายเรียนแบบสมณะออกไปจากสงฆ์เหมือนคนคัดเข้ารีบทิ้งฉะนั้น ครั้นกำจัดพวกปราถนาชั่วมีอาจาระและโคจรชั่วออกได้แล้วเธอทั้งหลายผู้มีศีลบริสุทธิ์จงเคารพยำเกรงกันอยู่ร่วมกับท่านผู้บริสุทธิ์หลังจากนั้นเธอทั้งหลายจงเป็นผู้สมคีกันมีปัญญารักษาตนจากธรรมที่สุดแห่งทุกข์ได้ธรรมจริยสูตรที่หจบ พรามณธรรมมิกระสูตรว่าด้วยธรรมของพรามที่แท้จริงข้าพเจ้าได้สะดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถบิณกะเศรษฐีเขโครงสาวถีสมัยนั้นพระมมหาสารชาวโคศนจำนวนมากซึ่งล้วนแต่เป็นผู้แก่เฒ่าสูงอายุเป็นผู้ใหญ่ ล่วงการผ่านวัยมาโดยลำดับแล้วทั้งนั้นพากันเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับแล้วได้สนทนาปราศัยกับพระผู้มีพระภาคพอเป็นที่บันเทิงใจพอเป็นที่ระลึกถึงกันแล้วนั่งหน้าที่สมควรได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่ท่านพระโคโดมปัจจุบันนี้พราหม์ทั้งหลายยังนิยมปฏิบัติธรรมเนียมของพราหมณ์สมัยโบราณอยู่หรือไม่ พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าท่านพราหม์ทั้งหลายปัจจุบันนี้พราหม์ทั้งหลายไม่นิยมปฏิบัติธรรมเนียมของพราหมณ์สมัยโบราณเลยพราหม์ทั้งหลายทูลว่าข้าแต่ท่านพระโคโดมขอประทานวโรกาสหากไม่ทรงหนักพระไทยขอพระองค์โปรตดตรัสบอกธรรมเนียมของพราหมณ์สมัยโบราณแก่ข้าพระองค์ทั้งหลายด้วยเถิดพระพุทธเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคตรัสว่า พรหมณ์ทั้งหลายถ้าเช่นนั้นท่านทั้งหลายจงฟังจงใส่ใจให้ดีเราจะกล่าวพระมหาสารเหล่านั้นทูลรับสนองพระพุทธดัมรัสแล้วพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสพระดํารัสนี้ว่าเรสีทั้งหลายสมัยก่อนมีความสำรวมตนมีตบะและกามคุณห้าได้แล้วบำเพ็ญประโยชน์ตนให้สำเร็จ พราหมณ์สมัยก่อนไม่มีสัตว์เลี้ยงไม่สะสมเงินทองไม่มีสิ่งของต่างๆพวกเขามีทรัพย์และทัญชาติคือการสาธยายมนรักษาขุมทรัพย์ที่ประเสริฐไว้ทายกต่างเต็มใจถวายพัตาหารที่ตนจัดเตรียมไว้ที่ประตูเรือนแก่พราหมณ์ที่สแสวงหาพัตาหารที่บุคคลให้ด้วยศรัทธาเป็นนิดทั้งชาวชนบทและชาวเมืองต่างแต่งกายด้วยเสื้อผ้าแพรพันหลากสี มีที่อยู่หลับนอนอาศัยเป็นหลักแหล่งมั่นคงได้พากันเคารพนับถือพราหมณ์เหล่านั้นพราหมณทั้งหลายชื่อว่ามีธรรมรักษาจึงไม่มีใครๆคิดฆ่าคิดเอาชนะและทุกครัวเรือนไม่มีใครๆปฏิเสธพราหมณ์เหล่านั้นเลยสมัยก่อนพราหม์ได้ประพฤติพรหมจรรย์ตั้งแต่เด็กเที่ยวเสา ะ, ะแสวงหาวิชาและเจรณะนับเป็นเวลานา น, านถึง48ปี พรามเหล่านั้นไม่สมสู่กับหญิงวันนะอื่นทั้งไม่ยอมใช้เงินซื้อหญิงมาเป็นพัญยาแต่จะอภิรมอยู่กินกับหญิงที่ผู้ปกครองยกให้ด้วยความสมัครใจเท่านั้นพรามผู้เป็นสามีย่อมไม่ร่วมกับพัญยาผู้เว้นจากกระดูนอกจากสมัยที่ควรจะร่วมพรามย่อมไม่ร่วมเมถุนธรรมในระหว่างโดยแท้พรามสมัยนั้นพากันสรเสริญการประพฤติพรหมจรรย์ ศีลความซื่อตรงความอ่อนโยนตบะความสงบเสงี่ยมการไม่เบียดเบียนกันและขันติพรามผู้เสมอด้วยพรหมผู้มีความบากบันมั่นคงเป็นผู้สูงสุดกว่าพรามเหล่านั้นและพรามเหล่านั้นย่อมไม่เสพเมถุนธรรมแม้แต่จะฝันถึงก็ไม่มีพรามบางผู้ผู้เป็นบัณฑิตในโลกนี้ศึกษาตามวัดปฏิบัติของพรามผู้เสมอด้วยพรหมนั้นอยู่ จึงสรเสริญการประพฤติพรหมจรรย์ศีลและขันติพรามทั้งหลายผู้ขอเข้าสารที่นอนผ้าเนยใสยและน้ำมันมาเก็บรวบรวมไว้โดยธรรมและบูชายันด้วยของเหล่านั้นในยันที่บูชานั้นพรามจะไม่ยอมฆ่าแม่โคเลยเหมือนมารดาบิดาพี่น้องหรือแม่ญาติอื่นๆไม่ยอมฆ่าแม่โคเพราะคิดว่าแม่โคเป็นสัตว์ที่มีอุปการะยิ่งใหญ่ ซึ่งผลิตปัญจโครสอันเปญญ็นยาอันหนึ่งแม่โคนั้นให้ข้าวให้กำลังให้ผิวพันและความสุขพราหม์ทราบถึงประโยชน์ยิ่งใหญ่เช่นนี้จึงไม่ยอมฆ่าแม่โครพราหม์เหล่านั้นมีผิวเนื้อละเอียดอ่อนมีรูปร่างใหญ่มีผิวพันผุดผ่องมีเกียรติยศปฏิบัติหน้าที่ใหญ่น้อยตามธรรมเนียมของตนอย่างเคร่งครัดได้บาเพ็ญจริยวัตรต่างๆในโลก มุ่งให้ประชาชนประสบสุขสวัสดีต่อมาพรามเหล่านั้นเกิดความสำคัญผิดเพราะเห็นความสุขเพียงเล็กน้อยที่เกิดจากกามาคุณที่ต่ำสามสมบัติอันวิเศษของพระเจ้าแผ่นดินและสตรีที่แต่งกายงดงามรถเทียมะอาชาในที่ตกแต่งไว้ดีสลักลวดลายอย่างวิจิตรเรือนใหญ่เรือนน้อยที่แบ่งสัดส่วนไว้เป็นอย่างดีพรามผู้สาคัญผิดนั้น ปรารถนาอยากเป็นเจ้าของโภกทรัพย์ซึ่งเป็นของมนุษย์อนโนลานเกลื่อนกลนไปด้วยฝูงโครประกอบไปด้วยมูนารีผู้ประเสริฐพรามเหล่านั้นจึงผูกมนมุ่งหวังโภกสมบัตินั้นๆแล้วพากันเข้าไปเฝ้าพระเจ้าโอกากะกราบทูลว่าพระองค์ทรงมีทรัพย์และธัญชาตาเป็นจำนวนมากขอพระองค์ทรงบูชายันเถิดพระองค์จะทรงมีแก้วแหวนเงินทอง พืชพันธัญญาหารเพิ่มมากขึ้นและเมื่อพระเจ้าแผ่นดินผู้ทรงองค์อาจยิ่งใหญ่ทรงยินยอมตามคำของพรามนั้นแล้วจึงทรงบูชายันคืออสเมทะปุริสะเมทะสัมมาปาสะวาชะเปยะและนิรักคละครั้นเสร็จแล้วก็พระราชทานทรัพย์แก่พรามเหล่านั้นอีกทั้งโคที่นอนผ้าสตรีที่แต่งการงดงาม รถเทียมาอาชาในที่ตกแต่งไว้ดีสลักลวดลายอย่างวิจิตรทั้งรับสั่งให้นำเอาธัญชาต่ตางๆไปบรรจุไว้ให้เต็มเรือนที่น่ารื่นรมซึ่งแบ่งสัด ส, ส่วนไว้เป็นอย่างดีแล้วพระราชทานทรัพย์แก่พราหมเหล่านั้นพราหมเหล่านั้นได้ทรัพย์ที่พระราชทานนั้นๆแล้วชอบเก็บสะสมไว้จึงถูกความอยากครอบงำเพิ่มพูนความอยากได้มากยิ่งขึ้นไปอีกพวกเขา จึงผูกมนมุ่งหวังพกทรัพย์นั้นๆขึ้นพากันเข้าไปเฝ้าพระเจ้าโอการะอีกกราบทูลว่าโคทั้งหลายเกิดขึ้นเพื่อให้ใช้ทำประโยชน์ในกิจการต่างๆของมนุษย์เหมือนแม่น้ำแผ่นดินเงินทองทรัพย์สินและพืชพันธัญญาหารเกิดขึ้นเพื่อให้มนุษย์ใช้ประโยชน์ขอพระองค์ทรงทาพิธีบูชายันเถิดพระองค์จะทรงมีแก้วแหวนเงินทอง เพิ่มพันธัญญาหารเพิ่มมากขึ้นและเมื่อพระเจ้าแผ่นดินผู้องค์อาจยิ่งใหญ่ทรงยินยอมตามคําของพราหมณ์เหล่านั้นแล้วจึงทรงทําพิธีบูชายันต์ในพิธีบูชายันนั้นรับสั่งให้ฆ่าแม่โคมากมายหลายแสนตัวแม่โคนมทั้งหลายสงบส ง, งียมเหมือนแม่แพะถึงจะถูกคนเลี้ยงรีดนมใส่หม้อก็ไม่ใช้เท้าหรือเขาอย่างใดอย่างหนึ่งทําอันตรายเลยกระนั้น พระราชาก็รับสั่งให้จับที่เขาแล้วฆ่าด้วยศัตราเพราะการฆ่าโคบูชายันนั้นเทวดาพระพรหมพระอินทร์อสูรและผีเสื้อสมุด ต, ต่างเปล่งวาจาประนามมนุษย์ว่าไม่มีคุณธรรมเพราะมีที่แทงแม่โคแต่ก่อนนั้นมีโรคร้ายอยู่เพียงสามชนิดคือโรคความอยากโรคความหิวและโรคชรา แต่เพราะการทำร้ายเบียดเบียนปัสสุสัตจึงทำให้แพร่โรคร้ายเพิ่มขึ้นถึง98ชนิดการทำร้ายเบียดเบียนปัสสุสัตนี้นับเป็นการลงทันชนิดหนึ่งที่ไร้คุณธรรมมีมาแต่เดิมแล้วแม่โคโนมทั้งหลายที่ไม่ทำร้ายเบียดเบียนใครๆต่างก็ถูกฆ่าพวกบูชายัญก็เสื่อมจากธรรมดังกล่าวมานี้การฆ่าสัตบูชายัญ น, นี้ เป็นธรรมเนียมที่ต่ำทรามมีมาแต่โบราณถูกวินยูชนติเตียนคือวินยูชนจะติเตียนคนที่ทำพิธีบูชายันโดยวิธีนี้ในที่ทุกแห่งที่ตนเห็นเมื่อธรรมเนียมเก่าของพราหมณ์เสื่อมสูญไปอย่างนี้แล้วคนวันนะสูตรและแพทย์ก็แตกแยกกันวันนะกษัตริย์จำนวนมากก็แตกแยกกันพัญญาก็ยังดูหมินสามี ประศัตรพรามพร้อมทั้งแพทยและสูตรที่เป็นเผ่าพันธ์แห่งพรมที่ได้รับความคุ้มครองจากวงตระกูลของตนต่างไม่คำนึงถึงชาติชั้นวั น, นะต่อไปล้วนตกอยู่ในอำนาจกามาคุณเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้วพระมหาสาลเหล่านั้นได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่ท่านพระโคดมภาษิ ข, ของท่านพระโคดมชัดเจนไพเราะยิ่งนัก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 พวกข้าพระองค์นี้ขอถึงท่านพระโคดมพร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะขอท่านพระโคดมจงทรงจำพวกข้าพระองค์ว่าเป็นอุบาสกผู้ถึงสรณะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนตลอดชีวิตพรามณธรรมมิกระสูที่เจ็จบ นาวาสูตรว่าด้วยบุคคลผู้เป็นดุดเรือข้ามฟากพระผู้มีพระภาคตรัสแก่ภิกษุทั้งหลายดังนี้บุรุษควรบูชาสักการะบุคคลที่ตนเรียนรู้ธรรมจนเข้าใจเหมือนเทวดาบูชาพระอินชันนั้นบุคคลผู้เป็นผหูสูรได้รับการบูชาจากสิทธิ์แล้วมีใจเอื้ออาทรในสิทธินั้นย่อมอธิบายทำให้เข้าใจได้อย่างแจ่มแจ้ง บุรุษผู้มีปัญญาไม่ประมาทคบบุคคลผู้เป็นหูสู่เช่นนั้นทำธรรมนั้นให้มีประโยชน์ใครโครนแล้วปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมย่อมเป็นผู้รู้แจ้งแสดงธรรมแก่ผู้อื่นและเป็นผู้ละเอียดผู้ที่คบบุคคลผู้มีคุณธรรมน้อยเป็นคนพานยังไม่บรรลุประโยชน์ตนทั้งยังมีใจริษยาไม่เข้าใจธรรมในาศาสนานี้ได้อย่างแจม่มแจ้ง ยังไม่ทันหมดความสงสัยก็สิ้นชีวิตไปก่อนเปรียบเหมือนคนข้าแม่น้ำที่มีน้ำมากกำลังหลากมามีกระแสเชี่ยวถูกพัดลอยไปตามกระแสน้ำเสียเองจะสามารถช่วยพาผู้อื่นให้ข้ามไปได้อย่างไรชั้นใดบุคคลผู้ยังไม่เข้าใจทำอย่างแจ่มแจ้งก็ฉันนั้นไม่พิจารณาความหมายแห่งธรรมให้ท่องแท้ในสานักอาจารย์ผู้เป็นพระสูตร ตนเองยังไม่รู้แจ้งจริงทั้งยังไม่หมดความสงสัยจะสามารถสอนผู้อื่นให้เพ่งพินิษธรรมได้อย่างไรคนลงเรือที่มั่นคงแข็งแรงมีภายและท่ออยู่พร้อมเป็นผู้เฉลียวฉลาดรอบรู้ชำนาญการเดินเรือนั้นย่อมสามารถพาผู้โดยสารจำนวนมากในเรือนั้นให้ข้ามไปถึงฝั่งได้โดยปลอดภัยแม้ฉันใดผู้บรรลุถึงความรู้แจ้งอบรมตนแล้ว เป็นพหูสูรมีสภาพจิตไม่หวั่นไหวก้ก็ฉันนั้นสามารถสั่งสอนผู้อื่นที่ตั้งใจฟังและสมบูรณ์ด้วยอุปนิสัยให้เพ่งพินิจได้เพราะฉะนั้นบุคคลจึงควรครบสัตบุรุษผู้มีปัญญาเป็นพหูสูรบุคคลผู้คบหาสัตบุรุษนั้นรู้แจ้งชัดเนื้อความนั้นแล้วปฏิบัติอยู่เป็นผู้เข้าใจธรรมได้อย่างแจ่มแจ้งพึงได้รับความสุข นาวาสูตรที่8จบ 9. กิ่งศีลสูตรว่าด้วยการจะบรรลุประโยชน์สูงสุดต้องประพฤติเช่นไรท่านพระสารีบุตรทูลถามพระผู้มีพระภาคดังนี้นรชนมีปกติอย่างไรมีความประพฤติอย่างไรเพิ่มพูนการทำอะไรบ้างจึงชื่อว่าพึงดำรงตนอยู่อย่างถูกต้องและบรรลุประโยชน์สูงสุดได้ พระผู้มีพระภาคตรัสตอบดังนี้ น, นรชนควรเป็นผู้ประพฤติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่ไม่ริษยาและควรรู้จักการที่จะเข้าไปหาครูทั้งหลายรู้จักขณะที่จะฟังทรมีคาถาที่ท่านกล่าวและตั้งใจฟังสุภาษิทธิ์อื่นๆจากท่านโดยเคารพควรลดมานะนบนอบอ่อนน้อมเข้าไปยังสำนักของครูตามเวลาเหมาะสมตั้งใจระลึกถึงอัตธรรมสังยะมะ รมจารย์พร้อมทั้งยึดถือปฏิบัติตามนั้นควรเป็นผู้ พ, พอใจธรรมยินดีในธรรมดำรงอยู่ในธรรมรู้จักพิจารณาธรรมไม่ควรกล่าววาจาที่ประทุษร้ายธรรมควรให้เวลาสิ้นไปกับสุภาสิทธิที่แท้การละความสนุกรื่นเริงการพูดกระซิบความร่ำไรรำพันความโกรธง่ายการหลอกลวงเสแสร้งทาความดีความยินดีในปัจจัย ความถือตัวการจริงดีชิงเด่นความหยาบคายและความหมกมุ่นอยู่ในกิเลสดูดน้ำฝาดย้อมใจควรเป็นผู้ปราศจากความมัวเมาดำรงสติมั่นคงอยู่ น, นรชนใดเป็นผู้ประพฤติรีบด่วนเป็นผู้ประมาทเพียงแต่รู้สุภาษิตอันเป็นสาระและได้สดับสมาธิอันเป็นสาระในธรรมที่รู้เท่านั้นปัญญาและสุ ต, ตะย่อมไม่เจริญแก่ น, นรชนนั้นเลย ส่วนนรชนผู้ยินดีในธรรมที่พระอริยะประกาศแล้วเป็นผู้ประเสริฐกว่าคนนอกนี้ด้วยกายวาจาและใจดำรงมั่นอยู่ในสันติโสรจะและสมาธิจึงได้บรรลุถึงธรรมอันเป็นสาระแห่งสุตตะและปัญญากิงสีละสูตรที่9้าจบ อุทานสูตรว่าด้วยการลุกขึ้นนั่งสมาธิพระผู้มีพระภาคตรัสเตือนภิกษุทั้งหลายดังนี้เธอทั้งหลายจงลุกขึ้นเถิดจงนั่งเถิดความหลับจะมีประโยชน์อะไรแก่เธอทั้งหลายผู้เร่าร้อนด้วยโรคคือกิเลสมีประการต่างๆถูกลูกสอนคือราคะเป็นต้นทิมแทงจนย่อยยับอยู่เธอทั้งหลายจงลุกขึ้นเถิด จงนั่งเถิดจงบากบั่นขยันศึกษาปฏิบัติเพื่อบรรลุสันติธรรมกันเถิดอย่าให้มัจุราชรู้ว่าเธอทั้งหลายมัวแต่ประมาทรุ่มหลงแล้วบังคับให้หลงไหลยอยู่ในอำนาจเลยเธอทั้งหลายจงข้ามตันหาที่ชื่อว่าวิสัติกาซึ่งเป็นเหตุให้เทวดาและมนุษย์ผู้ยังมีความต้องการยึดติดอยู่ขณะอย่าได้ล่วงเลยเธอทั้งหลายไปเสีย เพราะเหล่าชนที่ปล่อยให้ขณะล่วงเลยไปย่อมแออัดกันในนรกเศร้าโศกอยู่ความประมาทเป็นดุจทุลีความประมาทที่เกิดซ้ำแล้วซ้ำเล่าก็จัดเป็นดุจทุลีกุลบุตรผู้เป็นบัณฑิตควรถอนลูกศรคือกิเลส ข, ของตนด้วยความไม่ประมาทและด้วยวิชาอุทานสูตรที่สิบจบ11อราหุลสูตรว่าด้วย พระพุธโธว่าที่ตรัสโปรดพระราหุลพระผู้มีพระภาคตรัส ถ, ถามท่านพระราหุลดังนี้เพราะความสนิทสนมกันเกินไปเธอนึกดูหมินบัณฑิตบ้างหรือไม่การชูคบเพลิงแก่มวลมนุษย์เธอยังใส่ใจนอบน้อมอยู่หรือไม่ท่านพระราหุลทูลตอบดังนี้ถึงจะมีความสนิทสนมกันมากสักเพียงใดข้าพระองค์ก็ไม่เคยนึกดูหมินบัณฑิตเลย การชูคบเพลิงแก่มวลมนุษย์ข้าพระองค์ก็ยังใส่ใจนอบน้อมอยู่เสมอพระผู้มีพระภาคตรัสโอวาท ด, ดังนี้เธอละการมกุณห้าซึ่งน่ารักน่ารื่นรมย์ใจแล้วออกจากเรือนบวช ด, ด้วยศรัทธาจงทำที่สุดแห่งทุกเถิดเธอจงคบกัลยาณมิตรยินดีเสนาสนะอันสงัดปราศจากเสียงอึกทึกครึโครมจงเป็นผู้รู้จักประมาณในการบริโภค เธอจงอย่าทำความอยากในปัจจัยสี่เหล่านี้คือจีวรบินธบาตเซนาสนะและกีฬานปัจจัยเพศัช ท, ที่เกิดขึ้นเธออย่า ก, กลับมายังโลกนี้อีกเลยเธอจงเป็นผู้สำรวมในปาติโมกและอินสี่ห้าจงเจริญกายคตาสติกรรมฐานจงเป็นผู้เบืออหน่ายในสังสารวัฏให้มากจงเว้นสุพันิมิตอันเป็นเหตุให้เกิดราคาเสีย จงเจริญสมาธิจิตด้วยอสุภะภาวนาจนจิตมีอารมณ์เป็นหนึ่งและตั้งมั่นด้วยดีจงเจริญกรรมฐานที่ไม่มีนิมิตจงละมานา น, านุสัยกิเลสเพราะละมานะได้นั่นเองเธอก็จะเป็นผู้สงบระงับทราบว่าพระผู้มีพระภาคตรัสสอนท่านพระราหุลด้วยคาถาเหล่านี้อยู่เนืองๆด้วยประการชนี้ราหูละสูตรที่สอ 12. วังคีสสูตรว่าด้วยพุทธพจน์ตรัสแก้ความสงสัยของพระวังคีสข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้ สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณอัคคาลวเจดีเขตเมืองอาราวีสมัยนั้นพระนิโคโรสกับปะเถระซึ่งเป็นพระอุปชาของท่านพระวังชีสะพึ่งจะปรินิพานที่อัคคาลวเจดีไม่นานครั้งนั้นท่านพระวังชีสะหลีเร้นอยู่ในที่ลับได้เกิดความคิดคำนึงอย่างนี้ว่า พระอุปชาของเราปรินิพานแล้วหรือว่ายัางไม่ปรินิพานครั้นถึงเวลาเย็นท่านพระวังคีสจึงออกจากที่หลีกเรนเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาสแล้วนั่งณที่สมควรได้กราบทูลดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอประทานวโรกาสข้าพระองค์หลีกเรนอยู่ในที่ลับได้เกิดความคิดคํานึงอย่างนี้ว่า พระอุปชาของเราปรินิพานแล้วหรือว่ายังไม่ปรินิพานครั้งนั้นท่านพระวังคีสะก็ลุกจากอาสนะโขมจีวรนเฉวียงบ่าประคองอัญเชลีไปทางพระผู้มีพระภาคแล้วได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคด้วยคาถาว่าข้าพระองค์ขอทูลถามพระบรมศาสดาผู้มีพระปัญญามากว่าภิกษุใดมีชื่อเสียงเรืองยศตัดความสงสัย ดับกิเลสเสียได้นในปัจจุบันชาตินี้ได้ปริณิพานที่อักคารวะเจดีวิหารข้าแต่พระผู้มีพระภาคผู้ทรงเห็นธรรมอันมั่นคงภิกษุนั้นเป็นพรามมาแต่กำเนิดมีนามที่พระองค์ทรงประทานให้ว่านิโครถกัปะท่านเที่ยวนอบน้อมมุ่งหวังความหลุดพ้นปรารบความเพียนข้าแต่พระองค์ผู้เป็นเจ้าสักยะผู้มีสมันตะจักขุ ข้าพระองค์ทุกรูปปรารถนาจะทราบถึงพระสาวกรูปนั้นข้าพระองค์ทั้งหลายพร้อมที่จะเงี่ยโสฟังพระองค์เป็นศาสดาของข้าพระองค์ทั้งหลายพระองค์เป็นผู้ยอดเยี่ยมข้าแต่พระองค์ผู้มีพระปัญญาอันไพบูุญขอพระองค์โปรดกจัดความเคลือบแคลงสงสัยของข้าพระองค์ทั้งหลายโปรดตรัสบอกพระนิโครถกับปะเทระผู้ปรินิพานแล้วนั้นให้ข้าพระองค์ทราบด้วยเถิด ข้าแต่พระองค์ผู้มีสมันตะจักขุขอพระองค์โปรดตรัสบอก่ํำกลางแห่งข้าพระองค์ทั้งหลายเถิดเหมือนท้าวสักกะผู้มีพระเนรตั้งพันตรัสบอกแกเหล่าเทวดากิเลสเครื่องร้อยรัดเหล่าใดเหล่าหนึ่งในโลกนี้เป็นทางก่อให้เกิดความลุ่มหลงเป็นฝ่ายแห่งความไม่รู้เป็นมูลฐานแห่งความเคลือบแคลงสงสัยกิเลสเครื่องร้อยรัดเหล่านั้น พอมาถึงพระตถาคตผู้มีพระจักสุมีพระคุณยิ่งกว่านรชนทั้งหลายนี้แลย่อมหมดไปถ้าพระผู้มีพระภาคจะเป็นเพียงบุรุษธรรมดาก็จะไม่ทรงทาลายกิเลสได้เหมือนลมพัดทำลายก้อนเมฆที่หนาทึบไม่ได้ฉะนั้นโลกทั้งมวลที่มืดอยู่แล้วก็ยิ่งจะมืดหนักลงนรชนทั้งหลายมีพระสาหรีบุตรเป็นต้นที่รุ่งเรืองอยู่บ้างก็จะไม่รุ่งเรืองนะั ข้าแต่พระผู้มีพระภาคผู้ทรงเพียรพร้อมด้วยความเพียรนักปราดทั้งหลายเป็นผู้ทําแสงสว่างให้เกิดเพราะเหตุนั้นข้าพระองค์ทั้งหลายเข้าใจพระองค์ว่าทรงทาแสงสว่างให้เกิดเป็นแม่นมั่นข้าพระองค์ทั้งหลายรู้ว่าพระองค์ทรงเห็นธรรมทั้งปวงได้อย่างแจ่มแจ้งจึงได้พากันมาเฝ้าขอพระองค์ โปรดประกาศพระนิคโคลธกับปะเทระแก่ข้าพระองค์ทั้งหลายในที่ประชุมนี้ด้วยเถิดพระองค์ทรงเปล่งพระวาจาอย่างไพเราะจับใจทั้งทรงเปล่งด้วยพระสุรเสียงกังวานที่เกิดแต่พระนาศิกที่บุญญาธิการตกแต่งมาดีแล้วได้อย่างคล่องแคล่วแผ่วเบาเหมือนพญาหงทองโกงคอขันเบาๆอย่างไพเราะข้าพระองค์ทุกรูปตั้งใจแน่วแน่ ขอฟังพระดำรัสที่ไพเราะของพระองค์ข้าพระองค์จะเปิดเผยความเกิดและความตายที่ละได้อย่างสิ้นเชิงจะแสดงบอกบาปธรรมซึ่งเป็นตัวกาจัดเพราะบรรดาปุถุชนทั้งหลายบุคคลผู้ที่ทำได้ตามความพอใจตนไม่มีแต่คนที่ไตรตรองพิจารณาตามพระตถาคตเท่านั้นสามารถที่จะรู้หรือกล่าวทำอย่างที่ตนต้องการได้ ข้าแต่พระผู้มีพระภาคผู้มีพระปัญญามากพระองค์ผู้ทรงมีพระปัญญารุ่งเรืองได้ตรัสวยยกรที่สมบูรณ์ไว้อย่างถูกต้องแล้วข้าพระองค์พอถวายอัญฉชลีกรรมอย่างนอบน้อมพระองค์ทรงทราบคติของพระนิโครถกับปะเทระโปรดอย่าให้ข้าพระองค์หลงอยู่เลยข้าแต่พระองค์ผู้มีความเพียรมากพระองค์ทรงรู้แจ้งอริยธรรม ทั้งที่เป็นโลกุตระและโลคิยะทรงทราบเยะยธรรมทั้งหมดโปรดยาให้ข้าพระองค์หลงอยู่เลยข้าพระองค์หวังพระดำรัสของพระองค์เป็นอย่างยิ่งเหมือนคนถูกความร้อนแผดเผาในฤดูร้อนต้องการน้ำเป็นอย่างยิ่งฉะนั้นขอพระองค์โปรดเปล่งศรัทธายตนะคือสุตะเถดพระนิคโครถกับปะเทระประพฤติพรหมจรรย์เพื่อประโยชน์ใด ประโยชน์นั้นของท่านไม่สูญเปล่าหรือท่านนิพพานด้วยสัปปะทิเศ ส, สนิพพานธาตุหรือนิพพานด้วยอนุปาทิเศ ส, สนิพพานธาตุข้าพระองค์ทั้งหลายขอฟังเรื่องนั้นพระผู้มีพระภาคตรัสตอบดังนี้นิโครถกปะเถระนั้นได้ตัดขาดตันหาในนามรูปนี้ซึ่งตัดกระแสแห่งธรรมฝ่ายดําซึ่งนอนเนื่องอยู่ในสันดานมาช้านาน ข้ามพ้นชาตและมรณะได้อย่างสิ้นเชิงพระผู้มีพระภาผู้ประเสริฐ ด, ด้วยพระธรรมห้าประการได้ตรัสไว้ดังนี้ท่านพระวังคีสะเทระกราบทูลดังนี้ข้าแต่พระองค์ผู้ทรงเป็นพุทธะข้าพระองค์นี้ฟังพระดำรัสของพระองค์แล้วย่อมเลื่อมใสทราบว่าเรื่องที่ข้าพระองค์ทูลถามแล้วไม่ไรประโยชน์ พระองค์ทรงเป็นพุทธเจ้าไม่ทรงลวงฆ่าพระองค์แน่นอนสาวกของพระพุทธองค์พูดอย่างใดก็ทําอย่างนั้นได้ตัดขายคือตันหาที่แผ่กว้างทั้งมั่นคงของมารเจ้าเล่ได้เด็ดขาดพระผู้มีพระภาคสมควรที่จะตรัสว่าท่านพระนิโค ร, รถกับปะเทระได้เห็นมูลเหตุแห่งอุปาทานล่วงพ้นบ่วงมัจจุราชที่ข้ามได้แสนยากแล้ว วังคีสะสูที่สิบสองจบ